สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาวันเว้นวันมีเรื่องให้จัดการอยู่มากมายครับไว้เมื่ออะไรอะไรมาลงตัวแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดจะเรื่องขอลิขสิ์เนี่ยจะรอลุ้นเรื่อง YouTube อนุมัติอีกก็กําลังพยายามทําให้มันถูกต้องครับลบคลิปทิ้งไปทั้ง300คลิปได้แต่ก็ยังว่าแหละครับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายเดี๋ยวมันก็หมุนเวียนเข้ามาอีกแหละไม่เป็นไรครคับ ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแบ่งปันม่ให้ถ่ายทอดอยู่ครับแล้วคลิปนี้เราก็ไปฟังเรื่องราวจากพ่อน้องแก้มที่ได้กรุณาแบ่งปันมานะครับแล้วเรื่องราวของพ่อน้องแก้มจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับพ่อน้องแก้มเล่าว่าสวัสดีครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าเย็นวันนึงหลังจากแล้วเสร็จจากงานนาที่ทําอยู่ผมกับพ่อก็ได้ชวนกันเอาควาย20ตัวที่เลี้ยงไว้ไปเข้าคอก และระหว่างนั้นพ่อก็ได้พูดขึ้นว่าเทพจะเอาอะไรไหมพอจะเข้าไปในบ้านเอาดินปืนครับพ่อดินปืนผมจะหมดแล้วแล้วพ่อจะเข้าไปนานไหมผมถามยังบอกไม่ถูกว่าจะนานไหมพอจะไปจับไก่บ้านลุงมาด้วยแล้วถึงจะออกมาพ่อบอกครับแล้วปืนพกของพ่อพ่อเอาไว้ไหนอะ่ะเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้หยิบใช้ทันลำพังอีแก๊บของผมคงไม่ทันการหลกผมถามแกก็อยู่ใต้ที่นอนนั่นแหละถ้ามีอะไรก็ยิงขึ้นฟ้านะพอจะรีบออกมาแกว่าผมเลยถามพ่อต่อ เออพ่อพ่อเห็นอะไรไหมเมื่อคืนตอนที่เราเดินผ่านข้อควายกันนะ่ะผมเห็นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนหมานะพ่อแต่ตัวมันสูงใหญ่อย่างกับหมาเลยแหละผมเห็นมาสคืนแล้วด้วยเห็นพ่อเห็นมาหลายคืนแล้วด้วยแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้เองฟังกลัวเองจะกลัวมันเป็นผีที่ปลุกจนลักควายมาเลี้ยงเอาไว้มันส่งให้มารู้พวกเราพ่อว่าไม่นานนักหรอกมันหมาแน่และเองกลัวไห้ล่ะเทพผีพวกนี้มันเอาถึงตายเลยนะถ้ามันรู้ว่ามีคนเห็นมันและอีกอย่างหนึ่งมันเดินตามเองมาถึงกระท่อมสอทีแล้วนะพ่อบอก ไม่กลัวหลบพ่อมันจะได้กินลูกปืนอีกแก๊บของผมวะเดลองให้มันมาเถอะมันก็จะได้รู้ว่าผมก็มีดีอยู่เหมือนกันผมจะได้ลองใช้จ้าทุยที่ตาเคยให้ไว้สักทีพ่อไม่ต้องห่วงผมหรอกพ่อเข้าบ้านไปได้เลยครับผมบอกแกปไปพอเราสองคนเดินไปถึงกระท่อมพ่อก็แยกทางเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่นายที่ผมรออยู่ระยะห่างก็ประมาณ2กิโลเมตรได้และตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ใกล้จะมืดแล้วผมก็รีบกินข้าวรีบทํำอะไรให้เสร็จรีบก่อไฟขึ้นเพื่อความสว่างแล้วก็เตรียมตัวเดินไปยังต้นไม้ใกกล้กระท่อม อันเป็นเคหสถานที่ผมจะใช้นอนเป็นปั๊มปราการเพื่อเฝ้าเวียนยามเพื่อรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่พ่อไม่อยู่ผมยืนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้หันซ้ายหันขวาเพื่อย่อยอาหารและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานฟ้าก็มืดและเมื่อท้องฟ้ามืดแล้วระหว่างที่ผมกําลังเอ็กซ์โซไซบูเบาพลัน่นเสต้าของผมก็ได้มองไปเห็นหมากลุ่มเดิมอีกแล้วซึ่งอยู่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นไม่รู้ว่ามาทางไหนมาจากไหนการมาของมันครั้งนี้พิเศษกว่าที่เคยเห็นมาพิเศษก็คือพวกมันกําลังวิ่งตรงเข้ามาหาผม อ้าเฮ้ยผมตะลึงอยู่พักนึ่งทำอะไรไม่ถูกเลยเอาไงดีวะและซึวินาทีนั้นผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งพูดขึ้นเสียงนั้นบอกว่ามึงขึ้นต้นไม้เราเราคราวนี้มันเอามึงตายแน่เราขึ้นต้นไม้เราเสียงตาพอสิ้นเสียงนั้นผมก็รีบปีนขึ้นต้นไม้ที่ใช้นอนเป็นต้นมะค่าที่ผมตัดกิ่งใหญ่ออกแล้วเอาไม้มามาัดเป็นวงกลมตัดกิ่งอ่อนที่แตกออกมาใหม่ให้มีคล้ายกับรังนกเขาทางขึ้นทางลงมีหนึ่งทางเอ้าจะอธิบายอะไรตอนนี้เนี่ยเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่า พอปีนขึ้นบนต้นไม้ได้ผมก็รีบหยิบเจ้าทวยออกมาจากย่ามยกขึ้นหัวพร้อมกับรีบท่องอาคมที่ตาสอนให้เสร็จเรียบร้อยก็รีบโยนลงดินพร้อมกับพูดออกไปว่าไปเลยเจ้าทวยเอามันให้ตายพอเส้นเสียงที่ผมสั่งไปพลันก็ปรากฏว่ามีควายดําตัวเขื่งขึ้นบื้องล่างผมเห็นพวกหมาผีตะลึงเนีย่ยว่าแต่พวกหมาผีตะลึงเลยผมเองก็ยังตะลึงของดีที่ตาให้นี่แน่จริงๆและผมก็ได้เห็นว่าหมาผี3ตัวกําลังมุ่งเข้าตรงต่อสู้กับควายดําเพียงตัวเดียว หมาผีพุ่งจู่โจมควายทันทีจะถุยของตาผมพุ่งชนใช้เขาตวัดเวงกระเด็นกระดอนการต่อสู้เบื้องล่างดำเนินไปอย่างดุเดือดผมได้แต่อื้องจ้องมองอยู่พักหนึ่งเสียงเข้าประทะ ก, กันแต่ละครั้งดังสนั่นนึกขึ้นได้ปืนพ่ออยู่ใต้ที่นอนนี่แต่ที่นอนของพ่อก็อยู่ในกระท่อมเบื้องล่างใต้ต้นไมยที่เราอยู่นึกได้ดังนั้นระหว่างที่ควายกับหมาผีกำลังตะลุมบอลสู้กันอยู่นั้นผมตัดสินใจรีบแอบปินลงมาที่กระท่อมทันทีพร้อมกับอีกแก๊บคู่ใจ แล้วทันทีที่ถึงพื้นตาผมก็ได้มองไปเห็นร่างๆหนึ่งยืนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไกลนักใครวะผมคิดตามสัญชาตญาณคงไม่ใช่คนดีแนะ่ผมตัดสินใจยิงใส่ทันทีป้องพอสิ้นเสียงปืนผมก็ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนออกมาว่าไอ้ได้ปืนมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงไม่ได้กินกูหรอกมึงแตเเน้นตัวตายได้ฮ่าฮฮพอสิ้นเสียงนั้นก็เป็นเวลาที่ผมได้ปืนของพ่อมาอยู่ในมือแล้ว เป็นจังหวะเดียวกับที่ร่างของคนในเรือน้ำลึกลับหลังต้นไม้กําลังเดินใกล้เข้ามาหาผมเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผ ม, มรีบว่าปลายกระบอกปืนเข้าหาพร้อมยิงออกไปอกีกเพียงแต่รอบนี้จุดหมายที่ผมเล็งจะยิงที่ร่างนั้นก็คือขาแล้วก็ไม่ต้องรออะไรเมื่อมันกําลังเดินเข้ามาผมก็รีบเหนี่ยวไกยิงทันเทปองปองและพร้อมกับเสียงปืนผมกม็ได้ยินเสียงร้องโอ้ยมันยิงกูเข่าได้ยังไงวะแล้วก็ลงไปนอนดินและในช่วงเวลานั้นควายกับมาผีที่กํำลังสู้กันก็หายไป เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากผมเล็งปืนไปที่ร่างนั้นอีกครั้งหนึ่งหากลุกขึ้นมาและไม่น่าไว้ใจพ่อจะเป่าให้ดิน้นแล้วหูผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยดังขึ้นพร้อมกับมือที่มาจับแขนของผมแล้วบอกว่าพ่อลูกถ้ายิ้มมันตายเรื่องจะยุ่งไปกันใหญ่ให้พ่อกับผู้ใหญ่บ้านจัดการกันต่อเองเอ็มไปเก็บจะถุยมาแล้วก็ไปเอาหุ่นหมาสามตัวมาให้พ่อด้วยเสียงของพ่อแล้วเมื่อสิ้นคำของพ่อผ ม, มรีบเดินไปหยิบหุ่นจายยาาาเจ้าทวีใส่ย่ามพร้อมัดโจร เม่มาจนเรียบร้อยผมได้ยินพ่อกับผู้ใหญ่บ้านคุยปรึกษากันว่าเอาไงดีผู้ใหญ่เอาส่งเจ้าหน้าที่นี่มันก็กลับออกมาทําอีกนั่นนะเซคิดอยู่เหมือนกันผู้ใหญ่กับพ่อทําท่าครุ่นคิดเห็นคิดกันอยู่นานผมก็เลยเสนอบอกพ่อไปว่าเอายาสั่งให้มันกินเลยพ่อยาสั่งของตาที่ให้ไวนะ้น่ะที่ว่าแก้ที่ไหนก็แก้ไม่ออกถ้าจะแก้ออกหมายถึงว่าผมต้องตายไปแล้วยาสั่งถึงจะออกจากตัวมันได้พอผมพูดจบพ่อพยักหน้าเห็นด้วยก็เลยเอายาสั่งที่ตาไวใ้ให้กับผมให้โจรกิน แล้วก็ให้รับปากว่าต่อจากนี้ไปให้เลิกเป็นโจรซะถ้าไม่อยากตายซึ่งโจรก็รับปากแล้วพวกเราก็ปล่อยมันไปครับแล้วก็จบเป็นหนึ่งประสบการณ์ของดีของตาผมครับเราไปต่อกันอีกเรื่องดีกว่าครับเป็นเรื่องราวในตอนที่ผมยังไม่ขอลาออกจากทหารครับซึ่งตอนนั้นส่วนมากผมจะประจำการอยู่แถวชายแดนครับเน้อเรื่องก็มีอยู่ว่าเช้าวันที่15เมษายนพุทธศักราช2530ผมได้รับคําสั่งให้ไปลงพื้นที่แถวจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทย ขอไม่บอกสถานที่นะครับในคำสั่งนั้นทางฐานบัญชาการให้ผมกับลูกทีมอีก40คนไปทำงานตามตะเก็บชายแดนครับลงตามพิกัดที่ส่งให้มามีกำหนดเวลา30วันตามพิกัดนั้นที่ผมเห็นคือ 223.4 เหนือพอผมเห็นผมก็รู้ทันทีว่าสนุกแล้วเซเพราะตามพิกัดนั้นเป็นป่าลึกและยังเป็นป่าที่ได้ชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับมากที่สุดร่งลงมาจากแถวชายดนสุรินทร์ในคาสั่งนั้นมีอยู่ว่า ให้ผมกับลูกทีมเดินลาตระเวนตามชายแดนลงไปยังที่จุดนัดพบภายใน30วันคนในด้านทางข่าวส่งข่าวมาว่าจะมีกองกําลังกลุ่มส่งอาวุธข้ามเข้ามาจากเส้นทางดังกล่าวให้ทีมผมค้นหาให้เจอแล้วก็จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วรีบเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วหลังจากนั้นให้พวกผมกับทีมเดินเท้าต่อไปยังที่จุดนัดพบหลังจากที่ได้ฟังคําสั่งแล้วผมเดินออกมาจากห้องที่บัญชาการทันทีผมได้สั่งให้ลูกทีมจัดของให้พร้อม พวกเราจ อ, อกเดินทางกันตอนบ่ายมีลูกทีมคนนึงถามผมว่าขออนุญาตจะเรียกตามชื่อที่ผู้ผมเรียกกันในทีมนะครับพี่เสือเราจะไปไหนกันพี่จอมสมิงถามมันถามหลังจากที่ดูสีหน้าผมเห็นว่ามีแววกังวลเราจะไป223สจุเหนือว่าผมตอบไปกูกลัวว่ารอบนี้กูจะพาพวกเราไปตายว่ะใครมีของดีอะไรก็เอาติดตัวไปด้วยละกันและพี่เสือบอกพวกเราในทีมให้รู้หรือยังว่าเราจะไปไหนกันจอมสมิงถามต่อยังว่ามึงไปบอกพวกเราด้วยละกันว่าเราจะไปไหนกัน ผมก็เดินจากกันกันกบลูกทีมมายังห้องของผมเพื่อเก็บข้าวของที่จําเป็นใส่กระเป๋าสนามที่ห้องแต่ระหว่างที่เก็บของผมก็นึกได้ถึงเรื่องหนึ่งเรื่องที่พี่รักรุ่นพี่ของผมเล่าให้ฟังว่าจุดที่พวกเรากําลังจะไปมีอันตรายทั้งสัตว์ป่าไข่ป่าและสิ่งลี้ลับต่างๆแกเคยเตือนผมว่าถ้ามีงานไปจุดนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะแล้วถ้ามีอันจำเป็นจะต้องไปก็ให้นําจะถุยทีต่ตาผมให้ไว้กับมีดหมอตะกวัวตาเดียวและปืนแก๊ปสั้นไปด้วยแกบอกว่ามึงได้ใช้แน่ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือเหรียญบาทตราครุดเอาติดตัวไปด้วยนะมึงได้ใช้แน่นอนแกว่าหลังจากที่พวกผมเก็บข้าวของกันเสร็จเราก็ได้เวลาออกเดินทางกันโดยขั้นตอนแรกเราต้องเดินทางด้วยฮอหรือว่าเฮลิคอปเตอร์และเมื่อกันมาจะออกเดินทางก็มีอีกเสียงนึงถามว่าเสือมึงกลัวอะไรที่ป่า น, นั้นวะพวกเราลุยกันมาก็หลายที่แล้วไม่เคยเห็นมึงกังวลแบบนี้เลยวะ่ะป่าเขมรลาวพมา่ามึงก็พาพวกกรลุยมาหมดแล้วนี่มึงจะกลัวอะไรอีกวะไม่ว่ามึงหรือกูกับพวกก็มีวิชาดีติดตัวกันทั้งนั้น ผมเลยตอบกับไปว่าปา่านนี้กูเคยได้ยินจากพี่รักของกูว่าตอนแกนไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นแกได้เสียเพื่อนร่วมทีมไปหลายคนเว้ยอีกหลายคนก็บาดเจ็บสาหัสตัวแกเองก็เสียตาไปข้างนึงเพราะเสือแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเสียว่าไอบ้บูแกยังว่ามีทั้งผีป่าเสือที่แกยิงแล้วก็ไม่เข้านั้นไหนจะสา่งอีกละ่ะแล้วมึงจะไม่ให้กูกังวลได้ยังไงวะแกก็ยังบอกอีกว่าถ้าไปอ่ะให้กัวเจะถุยแต่กัวตาเดียวมีดหมอลเลือดเหรียญบาดตาระรักุดไปด้วยพอผมพูดจบพวกมันก็เงียบไปพักหนึ่ง แล้วมึงเอามาด้วยไหมวะฟังจากที่มึงพูดมาน่ะกูว่างานนี้ไม่ใช่ขี้ๆแล้ววะ่ะพวกกูฝากชีวิตกับมึงนะมึงเป็นหัวหน้าทีมมึงเอาพวกกูก็เอาทําไงได้ก็รับมาพวกทหารผีด้วยกันนี่เจ้าบูว่ากว่ามาหมดนั่นแหละว่าแต่ว่าพวกมึงพร้อมกันหรืยอยังวะแต่กูไม่รับปากนะว่ากูน่าจะพาพวกมึงกลับบ้านกันได้ครบทุกคนพอสิ้นเสียงผมเจ้าบูก็พูดขึ้นอีกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเป็นครอบครัวเราจะไม่ทิ้งกันหากตายถึงจะเอาศพกลับไม่ได้ก็ให้ตัดนิ้วกลับไปด้วยแล้วกนจาบู่่ว แล้วการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นพวกเราใช้เวลาเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์สมชั่วโมงก็ถึงที่จุดลงจอดเราทั้ง40คนต่างเรียกเก็บเข้าของลงจากหอไม่ว่าจะเป็นปืนยาวปืนสั้นต่างคนต่างก็จัดการกับเข้าของตัวเองจนหมดและพวกเราก็พากันเดินทางต่อไปด้วยรถยนต์อีกหนึ่งชั่วโมงเราก็ไปถึงหน้าที่พักและหน้าที่พักแห่งนี้ก็มีคนหนึ่งคนที่ผมอยากจะเจอมาตลอดคนคนนั้นก็คือพี่รักหลังจากที่จากกันมานานหลายปีไม่ได้เข่าเค้ากันเลยเมื่อเจอหน้ากันคําแรกที่ออกจากปากพี่รักก็คือ มึงมาจนได้นะไอเสือกูจะไปกับมึงด้วยพรุ่งนี้กูจะไปเอาคืนไอเสือตัวนั้นกูได้ข่าวว่ามันยังอยู่แถวเดิมที่มันหลอกลูกทีมกูมาหาปีก่อนผมได้ฟังก็ได้แต่ยิ้มยิ้มอย่างน้อยก็มีคนรู้ทางไปด้วยแล้วอีกเรื่องพี่รักแกก็เป็นคนที่มีวิชาติดตัวพี่รักพูดแค่นั้นแล้วก็เดินกลับไปยังห้องพักของแกแกยังหันมาบอกอีกว่านอนพักให้เร็วกันหน่อยนะพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้าผมก็ได้ตะตอบครับแล้วก็เดินกลับไปหาทีมผมที่อยู่อีกห้องหนึ่ง พอไปถึงผมก็บอกเลยว่าห้ามถามให้นอนกันก่อนพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้าเดินอีกไกลระยะทางที่เดินก็น่าจะประมาณ80กิโเมตรลึกเข้าไปในป่าพอผมพูดจบพวกเราก็พากันนอนทันทีแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานกันเท่าไหร่ผมกับลูกทีมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งพราะเสียงของพี่รักตื่นตืตื่น ต, นตืนได้แล้วเราต้องเดินทางแล้วกูให้อีก10นาทีไปเจอกันข้างนอกพี่รักตะโกนผมดูเวลาก็ประมาณตีสน่แล้หลังจากผ่านไป10นาทีพวกเราก็พร้อมกันอยู่ข้างนอก ทุกคนพร้อมบอกเดินทางด้วยกล้องสองกลางคืนที่ติดอยู่กับหมวกที่หัวพี่รักก็บอกว่าเราต้องไปถึงที่หมายก่อนเย็นนาะถ้าได้นอนในป่ากลางทาง้งเราเจอดีแนะ่และระหว่างทางเราก็ได้พักแค่ตอนกินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงแล้วก็พากันเดินต่อไปมุ่งหน้ากันต่อไปแล้วพวกเราก็ไปถึงที่หมายภายในเวลาห้าโมงเย็นแต่ว่าในป่าเป็นห้าโมงเย็นที่มืดในป่ามืดเร็วพี่รักบอกให้ทุกคนหาที่พักบนต้นไม้นะห้ามนอนที่ผื้นเด็ดขาดลูกทีมคนนึงถามว่า มีอะไรเพ่พี่รักตอบสวนแบบทันควันว่ามือจะโดดมันหลาบไปกินน่ะสิกูไม่อยากไปตามหาศพมึงไงและหลูกน้องของกูดอกกระโดดมันหลาบไปจากตรงจุดที่มึงยืนอยู่นั่นแหละหลังจากที่ได้ฟังเราทั้งหมดก็รีบหาที่นอนกันบนต้นไม้ทันทีเราทุกคนรู้ดีว่าเวลากลางคืนหากได้ยินอะไรเห็นอะไรก็ไม่ต้องลงมาดูแล้วก็ไม่ให้ลงไปหากันเด็ดขาดและหากว่ามีใครเดินมาหาไม่ว่าจะเป็นคนในทีมหรือคนแปลกหน้าก็ตามให้หญิงเตือนได้ทันที ในป่าที่มืดทั้งวงเวงเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็กลังหลับเพลิน<ๆ>ก็มียันต้องตื่นขึ้นเพราะเสียงของพี่รักที่นอนติดอยู่กันปลุกไอเสือตื่นตื น, ตนกูได้ยินเสียง ม, มันมีอะไรเดินอยู่ข้างล่างเหมือนมันกำลังเดินมาวะ่ะก่อนนอนมึงได้ปล่อยจะถ้วยขอมึงออกไปเดินเล่นหรือเปล่าใช่ผมได้ยินเสียงคล้ายกับเหมือนมีกลุ่มคนกํำลังเดินมาได้ยินยแต่เสียงแต่ก็มองไม่เห็นตัวผมก็ตอบแก้ไปว่าไม่นะเส้นเสียงตอบของผมก็ได้ยินเสียงพี่รักบนออกมาว่ า, านอนเข่าแล้วมึง เรโดนเขาล้าหลอวะผีเวนพุกนี้กำลังเล่นงานเราแกพูดพร้อมชี้นิ้วไปทางแค่เสียงดังมาแล้วก็บอกต่อไปว่ามึงฟังนั่นไอ้เสือผีพุกนี้เป็นผีที่ถูกกันร้ายที่กูเล่าให้มึงฟังมันงาบเว้ยแต่รอบนี้กูแปลกใจว่ามันทำไมไม่ยอมมาด้วยทุกครั้งที่ผีพุกนี้มามันจะต้องตามมาด้วยผมมองตามมือก็ไม่เห็นอะไรมีแต่ความมืดและความมองเวงกับเสียงชวนหลอนและที่อยู่ผมก็ได้ยินเสียงวิทยุผ่านหูฟังมาว่าศูนสอมเร็คศูนหนึ่งได้ยินไหม ผมเลยตอบกลับไปว่า03 01. -01 มีอะไรเกิดขึ้นเส้นเสิงผมต่อไปลูกทีมหลายคนก็รายงานตัวเข้ามาแล้วก็รายงานเหตุการณ์รอบตัวแต่ทุกคนก็รายงานมาว่าเหมือนว่ากำลังมีขบวนคนกําลังเดินมาทาง4ี่นาฬิกาของพวกเราจะให้ลงไปสุ่มดูไหมพอเส้นเสียงรายงานนั้นผมกําลังจะออกคําสั่งลงไปก็มีเสียงเสียงหนึงดังขึ้นทําให้ผมต้องสะดุ้งโหยง เสียงที่มันต้องโสดประสาทหูเสียงนั่นก็คือเสียงของไอ้ไหลแล้วก็น่าจะเป็นไอ้ไหลที่ตัวใหญ่ซะด้วยเสียงของมันดังมาจากอีกทางตรงข้ามกับขบวนสิงห์ผีที่กำลังจะเดินเข้ามาหาทั้งทีมที่เราอยู่ขณะที่ผมกาลังคิดอะไรอยู่นั้นพี่รักก็ได้อะมือมาส ก, กิดที่แขนผมแล้วบอกว่าไอ้เสือบอกลุกทีมให้ระวังตัวนะเสือตัวนี้กูงัดกับมันมาหลายรอบแล้วแต่ดุปืนกูทําอะไรมันไม่ได้ยิงถูกกากระเด็นออกมาเสือเวรตัวนี้กูว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาหรอกว่ะ พอเส้นเสียงพี่รักผมก็บอกให้ลูกทีมระวังตัวเราต่างซุ่มนิ่งเงียบเรานิ่งเงียบเงียบไปเรื่อยๆฟังเสียงที่เกิดขึ้นข้างล่างในความมืดมิดป่องและเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดผมจําได้ดีเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นขนาดจุด3ามห้ากล้องยาวของเจ้าแก้วต่อจากเสียงปืนนั้นเจ้าแก้วก็รายงานมาว่า0 1นยจากศูผมยิงโดนแล้วแต่ไม่อยู่ครับมันกําลังไปทางศูนยแล้วสิ้นเสียงปืนเส้นเสียงรายงานทุกอย่างเงียบป่ากเงียบสนิทจริงๆ ผมมองหน้าพี่รักและพี่รักก็บ่นขึ้นมาอีกว่าชิบหายแล้วมึงวันนี้เราไม่ได้นอนแน่เลย ว, ว่าเสือมึงบอกทุกคนเลยว่าใครมีดีอะไรก็งัดโอ่งมาเลยนะเสือตัวนี้มันไม่กลัวอะไรเลยผูกขนของผี่กฎหมายน่าจะใช้มันฆ่าคนมาหลายศพแล้วด้วยเธอเราเห็นมันครั้งนี้มันจะออะมาเคลียเส้นทองก่อนที่ไอผู้ขนอาวุธมันจะลงมือจรงิงพอพี่รักพูดจบผมก็ถามแกว่าตอนเช้าพี่เคกตามอรอยมันไหมพี่พี่แขกก็ตอบกลับมาว่ากูเคยตามตามกับลุงน้องอีกสองคนก็เหมือนกันทุกครั้ง มันมาจากทางเดิมทางที่ลูกน้องมึงยิงมันนั่นแะแล้วมันก็จะมาผ่านใต้ต้นไม้ที่เราอยู่บนนี้แล้วมันก็ตัดขึ้นเขาลูกข้างหลังเราไปพอตามไปเรืครึ่งทางก็ไม่มีทางให้ไปต่อว่าร้ายมันเดินก็ไปถึงทางที่ผูกขนของผิดกฎหมายมันใช้เดินกันแล้วมันก็หายไปดื้อตามต่อไม่ได้ผมได้ฟังก็เลยพูดขึ้นว่างั้นก็จริงเสือตัวนี้ไม่น่าจะใช่เสือธรรมดาแล้วพี่จากที่พี่เล่ามานะพี่บอกว่าหลังจากที่เห็นมันแล้วตอนเช้าพี่ตามรอยไปแล้วรอยนั้นก็หายไปตรงทางที่มีคนเดิน แสดงว่าเสือตัวนี้มีคนปล่อยมาแน่ผมแสดงความเห็นออกไปและขณะที่เราคุยกันอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงนึงดังขึ้นว่าระวังนะพ่อมันกําลังจะกลับมาอีกแล้วเสืออาคมกับคนที่ปล่อยมันออกมาหนะ่ะพร้อมกับกระบวนขนอาวุธตอนนี้พวกมันกําลังเดินทางเข้ามาผมจําได้ดีว่านี่คือเสียงของเจ้าแดงกุมารเลือดที่ตาผมทําไว้ให้เลี้ยงพอเส้นเสียงเจ้าแดงผมก็สั่งการไปว่าทุกคนจัดกําลังสี่ชุดชุดละสิบคนเตรียมพร้อมไว้ตอนนี้เรามีงานเข้าแล้ว เส้นเสียงผมสั่งการที่รักก็สะ ก, กิดแขนผมแล้วก็พูดว่าคราวนี้มันน่าจะมากันแล้วแต่เสือตัวนั้นไม่ต่อยผมมันรู้ตัวแนะเราจะรับมื อ, อยังไงไหนจะเสือไหนเจ้าคนผมคิดอยู่พักนึงแล้วก็บอกแกว่าเสือนะ่ะผมยกให้พี่พี่จําได้ไหมที่พี่บอกไว้ผมเอามาด้วยนะ่ะผมมอารู้ต ก, กวัวตาเดียวกับอีแกล์สั้นที่ตาทําให้ยืนให้แกแล้วก็ถามแกว่าพี่ใช้เป็นนะแกก็ถามกลับมาว่ามึงมั่นใจนะไ่อีแกล์สั้นกับต ก, กวัวที่ให้มาเนี่ยจะจัดการมันได้ บอกว่าได้ก็ได้ด็กพี่ผมตอบแกผมยกของทั้งหมดขึ้นหัวพร้อมกับท่องกระถางที่ได้เรียนมาจากตาแล้วก็ ด, ดินปืนพร้อมกับตะกวัวตาเดียวยืนให้แกจากนั้นต่างคนก็เตรียมตัวทําหน้าที่ของตนหลังจากที่เตรียมตัวรอรอในความเงียบละมืดรอรอนานรอเป็นชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดหลุนระทึก <c oughs> และแล้วก็ได้ยินเสียงของมันอีกครั้งเสือตัวเดิมที่แก้วหญิงมันกลับมาแล้ว มันกำลังเดินมาริมลำห้วยพร้อมกับกระโจนของผีป่ากองหน้าตอนนั้นสิ่งที่ตาผมได้เห็นผมเห็นคล้ายเงาดําของกลุ่มคนตะคุ่มตะคุ่มแต่ดูลางๆไม่ชัดนักกํลาลังเดินดุ่มๆ ม, มาพร้อมกับเสียงงิ่งๆเยน็นฟังไม่ได้สับมาพร้อมกับร่างทะมึนในความมืดของไอ้หลายตัวเขื่องตัวใหญ่จริงๆผมได้จะคิดว่าหลังจากที่เสือกับกระโจนผีนี้ผ่านไปกลุ่มของกอง ก, กําลังที่ขวอาวุธตามหลังมันมาจะออกมาพร้อมกันไหม พี่รักหญิงเสือตอนนี้มันรู้ตัวแน่คิดแล้วก็คิดว่าจะายังไงดีหันไปมองพี่รักพี่รักหายไปไม่รู้ไปทางไหนและไปแต่เมื่อไรขณะที่ผมกําลังมืองงอยู่นั้นป่องมีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงรายงานว่าเป้าหมายเข้ามาแล้วจํานวน20คนได้ยินแค่นั้นผมก็สั่งลุยทันทีป่องป่องป่องป่องป่องป่องป่องเสียงปืนจากการประทะของพวกเรากับผู้คนอาวุธดังสนั่นลั่นป่ายิงกันหูดับตับไหมกว่าพวกเราจะจัดการกํางานของรสรงรสรัมฤทธิ์เเล่นได้เกือบสว่างเลย ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดยีทางพวกเราไม่มีสูญเสียรีบพากันเคลียร์พื้นที่เก็บหลักฐานที่ได้ป้องเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดนึงแล้วมันดังขึ้นทางหกนาฬิกาของพวกเราแล้วก็มีเสียงของเสือร้องดังตามมาด้วยทุกคนรีบวิ่งมุ่งหน้าไปทางเสียงปืนที่ได้ยินมาในทันทีและทันทีที่พวกเราไปถึงภาพที่พวกเราเห็นก็คือพี่รักอยู่ในสภาพที่มีเลือดเต็มตัวรูสบักสบอมที่หลังของแกมีรอยแผลแล้วก็มีรอยโดนกัดที่ต้นแขนด้วย ม, มองห่างออกไปอีก30เมตรปรากฏมีร่างของเสือตัวใหญ่กำลังนอนชักใกล้ขาดใจตายเด่นแข ก, กอยู่ตรงนั้นที่รักเย็นจริงๆลมจะไหลายลงได้แต่สิ่งที่ได้เห็นต่อมามันทําให้พวกเราตกตะลึงไปตามๆกันเสือตัวนั้นเสือที่เราเห็นตอนที่เรามาถึงแล้วกำลังชักใกล้จะตายตอนนี้จากร่างของเสือร้ายบัด น, นี้มันกาลังกลับกลายกลายร่างเป็นร่างของคนทีละน้อยทีละน้อย พวกเรายืนตะลึงมองจ้องดูก็เห็นที่ร่างนั้นปรากฏมีรอยกระสุนเจาะตรงหัวใจเราทุกคนต่างพูดไม่ออกกับสิ่งที่เห็นจากเสือกลายเป็นคนหลังจากที่เสือตายแล้วเราก็มาได้สติกันอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่ได้ยินเสียงพี่รักตะโกนมาว่าตกลงผมมึงจะมาช่วยกูได้หรือยังหรือตกรอให้กูตายก่อนที่จะมาช่วยกูเราทั้งหมดถึงได้รีบเข้าไปหาพี่รักช่วยเหลือแกและหลังจากที่ต้องรอทีมเก็บหลักฐานเข้ามาถึงอีกสองวันพี่รักก็เล่าเรื่องที่แกได้เห็นได้เจอมาอีกมากมายให้ฟัง หลังจากทีมเก็บหลักฐานกลับไปพร้อมกับนำพี่รักไปรักษาตัวพวกผมก็เดินทางกันต่อไปเพื่อให้ถึงจุดนัดพบตามเวลาที่กําหนดก็จบลงไปกับภารกิจคืนแรกที่2องสเหนือครับครับผมแล้วเรื่องราวของพ่อแม่แก้มก็จบลงครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารินชีวิต เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ